Okay. วันนี้ก็เดี๋ยวพวกเราส่วนใหญ่ก็เดินทางกลับแต่การกลับไปนะนก็ขอให้ได้เอาไปปฏิบัติต่อการปฏิบัติธรรมที่สำคัญมากคือการ การไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันของเรานั่นแหละนะการที่เราได้มีโอกาสมาปฏิบัติธรรมที่นี่นะการเข้าคอรนะ์สการที่เราไม่ต้องทำงานอย่างอื่นนะ่ะมันเหมือนเป็นมันมันเป็นสิ่งที่ก็สำคัญมากนะมันเหมือนกับการซ้อมการติวนะการเข้มข้น แต่หลายคนก็ไม่ได้มีโอกาสที่จะอยู่แบบนี้ตลอดนะหรือแม้แต่ขันเป็นนักบวชนะเป็นพระเป็นแม่ชีหรือการอยู่วัดก็ไม่ใช่ว่าจะมีช่วงที่ไม่ต้องทําอย่างอื่นมีแต่ปฏิบัติทำแบบนี้ยาวๆก็มันก็ไม่ใช่ตลอดไม่ใช่ตลอดทั้งปีนะเพราะชีวิต จ, จริงของเราบางทีก็มีงานอย่างอื่นที่ต้องไปเกี่ยวข้องนะ ต้องทำงานต้องพูดคุยนะต้องคิดวางแผนต้องแก้ปัญหานะเราก็สามารถปฏิบัติธรรมได้นะในทุกอย่างน่แหละงานส่วนไหนนะที่เราไม่ต้องใช้ความคิดมากงานที่เป็นกิจวัตรปกติธรรมดางานที่ใช้แรงเป็นหลักอะเนี่ยเราก็อาศัยการตามลกายเป็นหลัก เนี่ยถ้าเราเก็บพวกนี้ได้เยอะๆนะโอ้วันวันหนึ่งเนี่ยจะมีโอกาสปฏิบัติธรรมได้เยอะเลยหลวงพ่อคำเขียนท่านใช้บอกว่าให้เรารู้จักเฉวยโอกาสเนะี่ยเฉวยโอกาสนาะทีทองเนะี่ยมีตลอดเวลาอยู่แนละ้วไม่ว่าเราจะทําอะไรเนะี่ยเราสามารถเฉวยโอกาสที่จะรู้สึกตัวได้นะตลอดเลยระลึกเนะี่ยถึงการปฏิบัติเมื่อไรนะก็ รู้สึกตัวขนาดนั้นเลยอันนี้ถ้าเราทำอย่างนี้นบ่อยๆนะว่าที่จริงกิจวัตรธรรมดานะที่ปกติเราทำจนจนชินหรือว่าทาโดยที่ไม่ต้องใช้ความใช้ความตั้งใจที่จะทำมากเกินไปนั่นแหละมันก็เป็นกิจวัตรที่เหมาะที่เราจะเติมสติเข้าไปนะเติมสติเข้าไปในการเดิน นะเติมสติเข้าไปในการกินข้าวเติมสติเข้าไปในการอาบน้าแต่งตัวเนีนะ่ยเติมสติเข้าไปในขณะที่ก่อนจะนอนดับแบบนี้นะเติมสติเข้าไปในการขับรถเนี่ยนี่คือไอที่เราคล้ายๆทำจนเคยชินแล้วก็เราปล่อยใจเลื่อนลอยหลงไปกับความคิดกับอารมณ์เนะี่ยเราพยายามกลับมา อยู่กับเนื้อกับตัวอยู่กับการกระทํานั้นๆ น, น, นะให้เห็นกายมันทํำนะใจเป็นผู้รู้นะหลุดไปบ้างไม่เป็นไรหลุดแล้วก็รู้ใหม่นะหลุดแล้วก็รู้ใหม่นะคล้ายๆเหมือนเราตั้งต้นใหม่เรื่อยๆเพราะที่จริงนะชีวิตเรามันมันมีแต่ของใหม่นะ <c oughs> เราไม่ต้องเราไม่จำเป็นต้องไปแก้ของเก่า เรามีแต่รู้สึกตัวใหม่ไปเลยนะเรียกว่าเป็นการทํากรรมใหม่นะกรรมที่เราทําเนี่ยคือเป็นเป็นการกระทําที่ฝึกจิตฝึกใจเพื่อออกจากความทุกข์นะหรือให้มันมีปัญญามากขึ้นเนี่ยเราทํากรรมใหม่ได้ตลอดเลยนะระดึกได้เมื่อไหร่ก็รู้สึกตัวเลยเนี่ยนี่คือการกระทําที่เราเราเคยชินหรือเราทําเป็นกิจวัตรอยู่แล้วเนี่ย เราพยายามเติมสติเข้าไปได้ให้มันบ่อยๆแน่อนอนบางบางกิจกรรมมันอาจจะไม่ได้เป็นจังหวะชัดเจนเหมือนเรามันเรายกมือสร้างจังหวะเนาะมันมีการเคลื่อนมีการหยุดนะจังหวะสม่ําเสมอหรือบางทีการเดินมันก็อาจจะไม่ได้สม่ำเสมอเหมือนเราเดินจงกลมไม่ได้มีจังหวะกับตัวหยุดตัว เราก็เอาไปไประยุกต์เอานะมันอาจจะไม่ใช่เป็นการมีจังหวะหยุดหรือจังหวะสม่ำเสมอแต่เราก็รู้เท่าที่มันรู้นั่นแหละนะใช่บางคนอาจจะออกกำลังกายวิ่งจ็อกกิ้งอะไรเนยนะหรือบางคนปั่นจั ก, กรยานอนนะไรเนียอืมไม่อาจจะไม่มีจังหวะหยุดชัดเจนเหมือนเราทาในรูปแบบแต่เราก็เติมสติเข้าไปในการปั่นจั ก, กรยานเนะี่ยรู้สึกตัวนะ อปั่นจักรยานอยู่ก็รู้สึกตัววิ่งจ็อกกิ้งก็รู้สึกตัวนะเท่าที่รู้ได้นะอย่าไปอย่าไปจ้องมากเกินไปอย่างเช่นปั่นจักรยานบางทีถ้าเราไปจ้องเกินไปเนี่ยมันจะเครียดนะหรือวิ่งแบบนีน้เราจะเอาให้มันรู้ทุกทุกก้าวเลยเนะี่ยมันจะที่จนจนอาจจะเวียนหัวได้ก็ได้นะแต่เพียงแค่รู้สึกว่ากายมีอยู่บนโลกนี้นะ คือรู้ถึงการถึงกายที่มีอยู่เนี่ยแหละโดยใจเป็นผู้รู้เนี่ยแหละพอแล้วนะมันเป็นการรู้แบบรู้สึกตัวแบบรวมๆนะเห็นกายก็ทํางานใจเป็นผู้รู้นะต่อไปเมื่อมันมีความปวดเมื่อยมีความทุกข์เกิดขึ้นกับกายเราก็จะแยกได้อ้อเนี่ยมันเป็นรูปทุกข์นะมันเป็นความทุกข์ของรูปน ะ, นะ เป็นความทุกข์ของร่างกายนะความปวดเมื่อยมันเกิดขึ้นกับร่างกายใจที่เคยดูกายเห็นมันเป็นกายเห็นมันเป็นรูปนะเมื่อมันเป็นมันมีความทุกข์เกิดขึ้นมาแล้วก็สรุปได้เลยอันนั่นแหละมันเป็นแค่ทุกข์ของรูปนะอืเราก็ดูแลไปอ้อทุกข์ของรูปไม่ใช่ทุกข์ของใจนะใจไม่เป็นไรใจก็แค่ดูเนะี่ยมันก็จะเห็นได้อ๋อมันเมื่อย ก็เป็นความเมื่อยของกายมันหิวก็เป็นความหิวของกายมันร้อนก็เป็นความร้อนของกายมันหนาวก็เป็นความหนาวของกายสรุปได้เลยเออมันเป็นเรื่องของรูปนะถ้าใจเรามีสติจริงๆนะมันถ้ามันไม่หนักเกินไปเนี่ยมันจะทนได้มันจะอยู่ได้นะร้อนก็อยู่ได้นะถ้ามีสติ แต่ถ้าไม่มีสติอ่อโอ้ร้อนจะเป็นจะตายใช่อห ม, อมหนาวก็อยู่ได้นะถ้าไม่ใช่ถึงขั้นนะเลขตัวเดียวหรืติดลบเนะ่มืมันก็อยู่ได้นะก็เห็นร่างกายข้อหนาวถ้าไม่มีผ้าหม่มก็ไม่เป็นไรถ้ามีผ้าหม่มก็มาหมนะ่มเนี่ยไม่ใช่ว่าโอ้ไม่ไหวไม่ไหวจะตายแล้วนะที่จริงมัน ที่จริงร่างกายเขาก็ปรับตัวได้นะออแล้วมันก็ยังไม่ตายนะแต่ความคิดวิตกกังวลเนี่ยมันทำให้เราเป็นทุกข์นะหลายๆครั้งนะอย่างมาว่าประสบการณ์อย่างบางทีเราทำอะไรที่มันอาจจะดูทรมานร่างกายหน่อยนะแต่มันก็ทำให้เราเห็นเห็นจิตใจเราเยอะขึ้นนะอย่างถ้าใครอยากจะลองดูก็ได้นะเอาแบบซอฟต์ก่อนนะ อย่างธรรมญาตาณนะที่วัดป่าสุขกโตแล้วก็ที่จัดที่เชยภูมินะรูมน้ำมังกระเทาเพราะอาจารย์มิศาลท่านเป็นผู้นาเนะีนะ่ยเรียกว่าเดินกลางแดดร้อน น, ะนอนกลางลมหนาวนะเป็นการฝึกตัวเองในรูปแบบหนึงนะ่งเวลาเราเดินในแดดที่ร้อนๆนะใจเราร้อน ใจเรากังวลตามแดดที่ร้อนไหมนะบางช่วงก็มีฝุ่นนะใจเรามีความลำคานไหมนะแดดมันหนาวนะบางทีมันก็ไม่อุ่นไม่สบายเหมือนเรานอนอยู่บ้านนะจิตใจเป็นแบบไหนนะร่างกายมันหนาวใจมันทุกข์ทรมานไหมนะบางทีเราไปกินข้าวนะตามที่เขาชาวบ้านเขาถวายหรือมีคนมาทําบุญนะ อาจจะไม่ถูกปากไม่คุ้นเคยอย่างที่เราเคยทานนะแต่จริงเราก็จะได้พิจารณาอ๋อที่จริงร่างกายมันก็ต้องการเพียงแค่อาหารเพื่อให้ได้ให้ได้แบบบรรเทาความหิวได้มีกําลังบางชานะอืมแต่บางครั้งเราก็กินเพื่อความ อ, ร, อร่อยเพื่อความเพลิดเพลินสนุกสนานนะเลเนะี่ยเราก็จะเห็นอ้อที่จริงปัจจัยสี่เนี่ย มีแค่ปัจจัยสีเนี่ยมันก็เพียงพอละในชีวิตนี้ปัจจัยอื่นก็อาจจะจําเป็นอยู่บ้างแต่ก็ไม่ใช่ทุกขณะหรอกที่มันจําเป็นอันนี้คือลองดูก็ได้นะถ้าใครอยากจะมาซ้อมเรียนรู้ดูดูกายดูใจในขณะที่มันต้องรียกว่าเผชิญกับความลําบากสักหน่อยเนะี่ยมันก็จะเห็นเห็นตัวเองได้ชัดขึ้นนะ บางทีเราอยู่ในที่ที่เราคุ้นเคยเกินไปนะมันเหมือนเป็นที่ที่ที่เราคุ้นทับศรานะเขาเรียกพื้นที่แบบเซฟโซนนะแบบพื้นที่ปลอดภัยอยู่นี่นะบางทีเราก็ต้องกล้าออกมาบ้างนะกล้าทําอะไรที่มันแตกต่างจากที่เคยทําบ้างเพื่อเพื่อมันจะได้เห็นว่าจิตใจมันมีสิ่งใดที่มันซ่อนเล้นไว้อยู่นะ ความกลัวนะมีซ่อนไหมบางทีเรานอนอยู่ที่บ้านไม่ค่อยกลัวแล้วนะแต่พอมาอยู่วัดมาอยู่ป่าใช่อืมความกลัวผีก็ผุดขึ้นมากลัวความมืดก็ผุดขึ้นมากลัวงูกลัวตะขาบก็ผุดขึ้นมานะนะกลัวตายนะก็ผุดขึ้นมาอบางทีก็กลัวหิวกลัวเป็นโรคกระเพาะก็ผุดขึ้นมานะ นี่ไกินข้าวมื้อเดียวกินข้าวสองมื้อนะ่ะกลัวเป็นโรคกระเพาะแล้วนะแต่ตอนเครียดเอ่าตอนที่มันเครียดไม่กลัวนะไม่กลัวเป็นโรคกระเพานะน่ะปล่อยให้จิตมันเครียดนะ่ะปล่อยให้โมโหนะ่ะหรือกินข้าวไม่เป็นเวลาเนี่ยอืไม่กลัวนะอืมนี่คือบางทีเราก็มาลองทําอะไรใหม่ๆดูบ้างหรือแม้แต่การที่เรา วางงานมาปฏิบัติในรูปแบบเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ท้าทายใช่ไ่ะเพราะว่าจิตคนทั่วไปเนี่ยก็ไม่คุ้นหรอกนะที่จะทำอะไรซ้ำๆนะปฏิบัติทําเหมือนไม่มีอะไรเลยนะไม่ต้องใช้สมองไม่ต้องใช้ความคิดไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรไมาช่วยเยอะเลยนะเพียงแค่ฝึกว่าน่ยให้ใจมันอยู่กับปัจจุบันได้อย่างไรเนะี่ยมันเป็นเรื่องที่ เรียบง่ายตรงๆมากซื่อๆมากแต่มันทำได้ได้ยากนะสาหรับคนที่ไม่เคยฝึกนะมันจะจิตมันจะดิ้นโดนมากเพราะจิตมันไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวนะการที่เรามาฝึกอยู่แบบนี้มันดีนะครับมันทำให้เราเห็นนะเห็นอะไรเห็นความง่วงบ้างเห็นความเบื่อบ้างเห็นความขี้เกียจบ้างนะ เห็นความอยากจะคิดบ้างนะใช่ไหมบางทีก็เห็นความอยากจะพูดนะบางทีก็เห็นความอยากจะอ่านอยากจะดูนั่นดูนี่นะมันเห็นเลยโอ้บางทีบางทีก็เห็นความอยากจะกินนะวันนี้บางคนถ้าคิดเมนูจะไปซื้อไปกินอะไรนะก็ให้รู้ทันก่อนนะมันจําเป็นต้องกินหรือว่าเราอยากกินอะไรนะลองดูนะบางทีมันเห็นว่า บางทีปฏิบัติธรรมมาอยู่ที่นี่นะหลายวั น, นาบางทีระวังกิเลสมันจะเอาคืนนะคล้ายๆมันมาอยู่แล้วมันอดกั้นาไว้นะออกไปจะขอสนองสักหน่อยนะจะขอให้โอกาสกิเลสสักหน่อยนะบางทีกิเลสมันก็จะแบบให้โอกาสเราบ้างนะเราก็ยอมเธอมาหลายวันแล้วนะอืมออกไปก็ให้ให้เราได้ สนุกบ้างให้เราได้อผ่อนคลายบ้างในบางทีมันก็จะบอกให้ผ่อนคลายบ้างนะแต่จริงๆก็คือว่าให้ทําตามใจมันนั่นแหละนะไม่ใช่ผ่อนคลายหรอกดูดีๆนะอย่าเชื่อมันง่ายๆนะดูมันนะปึกมันเนี่ยปฏิบัติทำจริงๆเวลาเราออกไปอยู่ข้างนอกนะมันจะมีสิ่งกระตุ้นเยอะนะมีสิ่งล่อเยอะนะ ทั้งในใจเราเองก็ดีหรือสิ่งกระตุ้นจากข้างนอกก็ดีนะมันก็จะกระตุ้นให้ให้เราเพลินให้เราหลงไปเยอะเราก็ต้องคอยหมั่นรู้ตัวเบว่อยๆโดยเฉพาะนยการที่มีสตินยรู้ทันจิตใจเนี่ยมันก็เอาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันให้ได้เยอะๆน ะ, นะบางครั้งที่เราต้องทำงาน ใช่เวลาเราคิดงานมันก็ต้องตั้งใจคิดอันนั้นอันหนึ่งนะแต่สมมติเวลามันคิดไม่ออกแล้วเราก็รู้สึกเครียดที่มันคิดไม่ออกความเครียดจากการคิดไม่ออกเนี่ยมันคือมันคือสิ่งแปลกปลอมเข้ามานะความตั้งใจคิดงานเนี่ยไม่เป็นไรตั้งใจคิดได้แต่พอมันคิดไม่ออกแล้วเครียดขึ้นมาเนี่ยอันนี้ไม่ใช่งานนะมันคืออารมณ์ มันคืออาการให้เรามีสติรู้ทันตัวนี้ตอนที่เราเสนองาน<ม>เสนอความคิดเห็นไปมีเพื่อนในที่ประชุมเบรกนะมีคนขัดคอมีคนตําหนินะการที่เราพูดไปตามความคิดนะตามความเข้าใจของเราไม่ได้ผิดนะพูดได้เสนอความเห็นได้แต่พอถูกข้อเบรกไม่พอใจนะ หูหงิดเนี่ยนะให้เรารู้ทันอารมณ์ตวเนี้นี่คือการปฏิบัติธรรมนะเออเนี่ยคือหรือมีคนชมเนาะคนอื่นชมแล้วเราหลงดีใจเนยะก็ให้เรารู้ทันความดีใจเนะี่ยที่มันเกิดขึ้นนคือทุกอย่างนะถ้าดูดีๆเนะ่ะโอ้เราสามารถปฏิบัติธรรมได้เลยนปฏิบัติธรรมไม่ใช่ดูแต่กายอย่างเดียวนะ เราสามารถรู้ทันจิตใจของเราได้ด้วยแล้วในแต่ละวันมันก็จะเกิดอารมณ์เกิดความคิดขึ้นเยอะมากนะขับรถเนี่ยนะบางทีเราก็รู้กายบางทีมันก็รู้ใจนะรถติดจิตใจเป็นแบบไหนอ่าไฟเขียวนะสุดท้ายเลยนะเหลือแค่วิสอง ว, สวินาทีสองวินาทีเราผ่านได้นะดีใจนะเป็นแบบไหนนะ ติดไฟแดงเป็นร้อยวินาทีจิตใจเป็นแบบไหนเนะเราก็ดูใจของเราด้วยนะแล้วเวลาว่างนะก็พลิกมือนะหายใจเคาะนิ้วรู้สึกตัวไปนะไม่เสียเวลานะอืมเราดูข่าวนะเราก็ไม่ได้ดูแต่เสพข้อมูลจากข่าวเราก็ดูใจของเราไปด้วยนะข่าวอาชญากรรมเป็นไงเรา ไปแช่งเขาไม่เนะบางคนนะแบบว่าเราเป็นคนดีนะเวลามีคนอื่นทำให้ผิดเนาะวิจารแรงแรงนะทำอย่างกับเขาแบบอยู่ร่วมโลกกันไม่ได้นะให้ฆ่าอย่างเดียวนั่นนี่ไอ้พวกนี้นะว่าตัวเองเป็นคนดีนะแต่ที่จริงมันก็สะสมโทสะเข้าไปสะสมเรียกว่าเป็น ความพยาบาทเบ็ดเบียนนะแต่จริงเขาดืมคิดสมมติถ้าเคสนั้นเป็นญาติเราเป็นคนที่รู้จักเราเนี่ยจะกล้าพูดแบบนั้นหรือเปล่าดืนะแต่พอเป็นคนไม่รู้จักอะไรเนะี่ยโอเต็มที่นะแต่จริงเราดูความรู้สึกของเราเป็นสำคัญดีกว่านะเวลามีข่าวที่มันข่าวไม่ดีนะจิตใจเรารู้สึกยังไรนะ มีวิตกมีวิจาร์วิภาคออกไปไหมนะมีก็ไม่เป็นไรนะแต่ให้เรารู้ทันนะถ้าเรารู้ทันละมันจะไม่ปล่อยเนื้อปลอยตัวไปตามอารมณ์นะมีข่าวที่น่าชื่นชมเราก็มีความสุขได้อนุโมทนาได้สาธุได้นะ อ, อ่แต่ก็ไม่ใช่ว่ามันจะไปเชื่อตามข่าวแบบร้อยเป็หนหรอกเออก็ฟังไว้ก่อนนะฟังหูไว้หูบางที ข่าวมันก็ไม่ใช่ว่าจะจริงทั้งหมดน ะ, นะในรายก็ดีใน a c e b o o k ก็ดีในโทรทัศน์ก็ดีนะ u t u b e ก็ดีนะเวลาเราเราเรารฟังก็ฟังไว้นะแต่ไม่ใช่ว่าต้องไปเชื่อร้อยเปอร์เซแต่เราก็ดูใจของเราไปด้วยว่ามีความรู้สึกอย่างไรนะไม่ใช่ว่านักปฏิบัติธรรมแล้วจะต้องไม่รู้สึกอะไรเลยจะต้องเฉยเฉยต้องจิตจืตลอดเวลาไม่ใช่นะ มันรู้สึกแล้วเราก็เห็นว่าเป็นมันรู้สึกคือจิตใจมันรู้สึกของมันเองไม่ใช่ว่าเราอยากจะให้มันรู้สึกอย่างนั้นอย่างนี้หรอกดูมันเป็นจิตใจที่มันรู้สึกแบบนี้ของมันเองจิตใจที่มันคิดแบบนี้ของมันเองมันก็จะเป็นการแยกได้ว่าออความรู้สึกก็อันนึงสิ่งที่รู้ว่ามันรู้สึกก็อันนึง ไอความคิดก็อันนึงแล้วสิ่งที่รู้ว่าเมื่อกี้มันคิดมันก็อันนึงมันก็จะฝึกแยกเนี่ยเรียกว่าเป็นการแยกขันนะตัวรู้ก็อันนึงตัวที่มันเป็นอาการก็อันนึงเนี่ยเราก็สามารถดูแบบนี้ได้มันจะถอนความยึดติดว่าความคิดมันเป็นเราแต่ก่อนมันรู้สึกว่าเป็นเราคิด แต่ก่อนจะรู้สึกว่าเป็นเราโกรธเราหงุดหงิดเราฟุ้งซ่านนะเราดีใจเราเสียใจแต่ถ้ามีสตินะมันจะเห็นความจริงว่าที่จริงมันไม่ใช่เรามันเป็นเพียงแค่นะความคิดมันเป็นเพียงแค่อารมณ์เป็นเพียงแค่อาการอย่างหนึง่งที่มันเรียกว่ามันผ่านเข้ามาแล้วถ้าพักมันก็ผ่านออกไป มันเกิดขึ้นชั่วขนาดหนึ่งพอมีสติรู้ละมันก็จบไปไปแล้วนะหรือบางทีมันก็เปลี่ยนเป็นเรื่องใหม่เป็นอารมณ์ใหม่อ๋ะเราก็รู้ทันมันไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะสนุกรู้นะเอถ้ามีสติเนี่ยจะสนุกรู้สนุกดูมันจะคิดมากก็ไม่เป็นไรเราก็รู้มันได้มากขึ้นดีเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องเสียหายไม่ใช่เป็นเรื่องแย่นะ แต่ถ้าเราไม่มีสตินยะหรือว่าเรามองมันวางใจไม่ถูกเนี่ยเราจะมองเป็นเป็นเรื่องไม่ดีเราจะมองเป็นตัวตนของเราเนี่ยโอ้มันจะหนักนะเวลาเครียดนะก็เป็นเราเครียดเวลาโกรธก็เป็นเราโกรธเวลาทุกข์ก็เป็นเราทุกข์เวลาสุขก็เป็นเราสุขนะแต่ถ้ามีสติมันจะถอนความเป็นเราออกไป เป็นเพียงแค่อาการวันมันหนึ่งก็เห็นมีแต่อาการที่มันเกิดขึ้นกับกายอาการที่เกิดขึ้นกับใจนะความเป็นเรามันถอนออกไปนะก็เห็นไปหรือบางครั้งก็หลงไปเป็นเราบ้างแบบหนึ่งพอมีสติรู้นะความเป็นเราก็หายไปเหลือเพียงแค่อาการบางครั้งอาการก็ดับไปพร้อมกับการที่เราเห็นนั่นแหละนะมันก็จบไปนะ เออมันก็จะเห็นคุณค่าโอ้ที่จริงมันเอาไปใช้ได้จริงนะเอาไปใช้ได้จริงนะแต่เราก็ต้องซ้อมในรูปแบบด้วยนะทุกๆวันนะซ้อมทําในรูปแบบนะตอนตื่นนอนขึ้นมาก็ดีนะตอนก่อนนอนก็ดีเนะ่ยมีเวลานะจัดสรรปฏิบัติในรูปแบบสักหน่อยนะ15นาที20นาทีครึ่งชั่วโมงนะแล้วแต่ เราจะจัดสรรได้นะแล้วก็เวลาว่างที่เหลือจากนั้นนะก็พยายามเก็บเล็กเก็บน้อยไปเรื่อยๆนะให้ทำให้มันต่อเนื่องนะทำให้มันบ่อยๆนะในชีวิตรประจำวันของเราเนี่ยแหละทำตั้งแต่ตื่นจนดับนะ <c oughs> มันเหมือนจะมากนะโยมเนะเวลาเราทำงานเนาะตั้งแต่แปดโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นเนี่ยก็ถือว่ามากแล้วนะ แตป่ปฏิบัติธรรมเนี่ยทำได้ตื่นนอนจนหลับนอนนะเอาจะให้ปฏิบัติธรรมอย่างเดียวไม่ทำอย่างอื่นเหรอทำอย่างอื่นด้วยนะแต่ก็ปฏิบัติธรรมด้วยนะเหมือนกับเรามีเวลาหายใจไหมละ่ะเราหายใจไม่เห็นต้องไปไม่ต้องก็ยังทำงานได้ใช่ไหมล ม, มหายใจมันก็อยู่ในชีวิตของเราตลอดเวลา การปฏิบัติธรรมแล้วถ้าเราเข้าใจนะมันก็แทรกซึมเข้าไปได้ตั้งแต่ตื่นนอนจนดับนั่นแหละแต่ตอนนอนดับไปแล้วบางวันมันก็มีสติเกิดขึ้นของมันเองนะสังเกตนะเวื่อมันฝันปุ๊บเนี่ยปติรู้ตัวปั๊บเนี่ยความฝันก็ดับไปนะไม่ต้องไปอะไรอาวบนกับความฝันนะแต่บางทีบางครั้งก็ฝันดีก็อยากจะฝันต่อนะ ก็อยากจะอันนี้อะไรอาวร์ะก็ให้มันรู้ทันมันนะแต่บางทีตอนตอนนอนหลับแล้วเรื่องของมันนะอย่าไปกังวลมากแม้แต่บางครั้งบางคืนสติมันกล้ามันนอนหลับนะแต่มันเหมือนตื่นตลอดเวลาก็มีนะกายมันนอนนะแต่ใจมันตื่นจะพลิกซ้ายพลิกขวาก็รู้ตัวมันเหมือนไม่หลับนะแต่ตื่นขึ้นมาไม่เพีย ไม่เพียเท่าไหร่ก็อย่าไปตกใจนะอย่าไปตกใจก็ดูมันไปแบบนั้นแหละไม่ดับก็ไม่เป็นไรนะให้ใจเราคลายความกังวลก่อนก็คือไม่ไปตกใจไม่ไปกังวลนนะไม่ไปคิดดวงหน้าพรุ่งนี้จะตื่นไหวไหมพรุ่งนี้จะเพี้ยไหมพรุ่งนี้จะง่วงไหมอันเนี้ยคือความวิตกกันนะนอนไม่ดับก็ดูมันไปนะไม่ต้องหาเรื่องมาคิดนะก็นอนไปเล่นๆนะ ถ้าจิตใจเขาผ่อนคลายนะร่างกายเขาก็ได้พักของมันนะมันก็อาจจะตื่นตื่นะปรับนะแต่ใจมันก็ไม่หนักไม่เหนื่อยหรอกนะร่างกายก็พอไหวนะอันนี้บางวันเป็นแบบนี้ก็อย่าตกใจนะอย่าตกใจหรือบางวันง่วงมากนะโอ้ทำไมวันนี้ง่วงแต่เกินท่านท่านที่ก็นอนเยอะนะมันก็คือธรรมชาติเขาสอนความไม่เที่ยงให้เราเห็นนะั่นแหละ <c oughs> มันคือเราจะเอาแน่เอานอนกับอาการกับอารมณ์เนี่ยเอาไม่ได้นะเหมือนเราเอาแน่เอานอนกับอากาศเนี่ยมันไม่ได้หรอกบางวันก็แดดออกบางวันก็หนาวบางวันก็ฝนนะบางวันก็ลมนอาการนี้กายในใจของเราก็เหมือนกันมันเอาแน่เอานอนไม่ได้เหมือนนั้นแหละแต่ถ้าเราดูเขาเนี่ยเราก็จะไม่เข้าไปเป็นกับเขาออ สะดวกเลยนะเป็นเพียงแค่อาการนะอาการจะเป็นแบบไหนเนี่ยไม่สําคัญนะนะจะดีไม่ดีจะชอบไม่ชอบจะสุขหรือทุกข์กุศลออกุศลเนี่ยที่จริงมันเป็นเรื่องการให้ค่าของเราเองนะคือเราอาจจะให้ค่าสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันดีสิ่งที่มันเป็นกุศลสิ่งที่เราชอบนะ ถ้าเราเป็นให้ค่าบางทีเราก็จะด่งไปยึดเขาอันนี้เราว่ามันไม่ดีไม่ชอบเราก็ให้ค่ามันไม่อยากให้มันอยู่แต่ตัวดูจริงๆนะมันดูแบบไม่ให้ค่าดูเป็นเพียงแค่มันเป็นอาการอย่างหนึ่งที่มันเกิดขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นอะไรเนะี่ยดูมันอย่างเดียวอาการไม่สําคัญจะเป็นอะไรก็ได้ แต่ตัวสําคัญกว่าคือตัวดูดูด้วยความเป็นกลางดูด้วยความตั้งมั่นไหมหรือเราดูแบบแบบชอบดูแบบจะเอาดูแบบไม่อยากเอาเนะถ้าดูแบบเนี้ยแสดงว่าใจไม่เป็นกลางใจไม่ตั้งมั่นถ้ามันเกิดความเรียกว่าดําเอียงแบบนี้เนาะให้เรารู้ทันอ๋อเมื่อกี้นะ มันมันดูแบบรุ้นรุนนะรุ้นว่าเมื่อไหร่มันจะหายเใช่ไหมบางทีมีนะะเราก็าเราดูความคิดแต่ก็ดูแบบดูมันจะมันเกิดขึ้นมาแล้วเมื่อไหร่มันจะดับไปว่าอะไรน่ะคล้ายๆเหมือนเคยดูมไหมดูความปวดที่มันเกิดขึ้นตรงใจเราว่าเราดูนะแต่ในใจลึกๆก็เหมือนเออเมื่อไหร่มันจะหายไปนะอะไรน่ะอันนี้แบบดูแบบรุ้นนะง่วงก็เหมือนกันนะ ก็ทำไปแต่ก็ใจก็รู้สึกรอคอยเมื่อไหร่มันจะหายง่วงไอ้เนี้ยให้รู้ทันว่ามันคือความคิดคือกิเลสที่มันเจือเข้าไปให้เรารู้ทันนะเราเพียงแค่มีสติดูไปนะดูไปไม่ได้ดูด้วยความอยากจะให้มันหายมันดับก็เป็นเรื่องของมันมันไม่ดับเราก็ดูมันต่อนี่คือ อาการที่มันเกิดขึ้นให้เราดูแบบนี้นะมันไม่สําคัญว่าอาการมันคืออะไรหรอกสําคัญว่าเราดูด้วยความเป็นกลางดูด้วยความตั้งมั่นไหมดูด้วยความที่ไม่มีตัณหาคือความอยากความไม่อยากนะมาเจือปนหรือเปล่านะอันนี้คือสิ่งที่สําคัญที่สุดนะสภาวะที่ดูเนี่ยแหละนะคือจิตมันจะเป็นกลางที่เราฝึกบ่อยๆนะคือฝึกให้ จิตมันมีความเป็นผู้ดูขึ้นมามีความเป็นกลางขึ้นมามีความตั้งมั่นขึ้นมาแต่บางทีมันก็ไม่ใช่จะเป็นกลางตลอดหรอกแต่ถ้าเมื่อไหรที่ใจไม่เป็นกลางเรารู้ทันมันจะมันจะปล่อยมันจะคลายไอความไม่เป็นกลางความยึดความหลงนะั้นออกไปนะมันจะพอดีตรงนั้นแหละนะทางสายกลางคือเนี่ยแหละมันพอดีตรงที่รู้ทันความไม่พอดีนะ มันจะเป็นกลางของมันมันจะตั้งมั่นขึ้นมาชั่วขณะหนึ่งถ้าเราฝึกแบบนี้บ่อยๆฝึกแบบนี้บ่อยๆนะมันจะมีปัญญาเห็นเองว่าอ๋อเมื่อกี้มันหลงมันมีความอยากเข้ามาเจือเมื่อกี้มันจะมีความชอบมีความไม่ชอบเข้ามาเจือมันจะเห็นอ๋อหรือบางทีมันก็จะเห็นว่าอ๋อความอยากเนี่ยมันก็คือการปรุงแต่งอย่างหนึ่งนะเออ มันมีความรุนเนี่ยมันเหนื่อยนะเวลาเรารุนอะไรเนี่ยมันเหนื่อยนะแต่ถ้าดูเฉยๆเนี่ยมันไม่เหนื่อยนะเวลาเราคิดวิจาร์เนี่ยมันเหนื่อยนะแต่ถ้าดูเฉยๆเนี่ยมันสบายกว่านะอะไรนะมันจะเห็นนมันจะเห็นอารมณ์พวกนี้ยนะซึ่งไอ้เรื่องพวกนี้นะมันต้องเป็นเรื่องที่เราปฏิบัติไปเรื่อยๆนะแล้วมันจะมี ประสบการณ์มีเหตุการณ์สถานการณ์ให้เราได้เห็นตัวเอง บ, บ่อยๆเราจะเห็นว่าโอ้มันสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับตัวเราเองก็ดีนะสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนอื่นก็ดีเนะี่ยไม่ต่างกันหรอกนะมันมีแต่ว่าขนาดนั้นเรารู้ตัวไหมหรือคนอื่นเขารู้ตัวไหมถ้าเขารู้ตัวเขามีสติเขาก็จะออกจากอารมณ์ออกจากความคิดได้ แต่ถ้าเขาไม่รู้ตัวเขาขาดสติเขาก็เข้าไปเป็นเหมือนกันนั่นแหละพอเราเห็นคนอื่นเขาทําผิดเห็นคนอื่นเขาทุกข์เห็นคนอื่นเขากโกรธอย่าแบบนันนะมันจะมันก็จะไม่โกรธเขานะมันก็จะเข้าใจเขาอืเพราะเขาขาดสตินะเขาก็ะเลยหลงไปโกรธหลงไปทุกข์เห็นใจแทนน ะ, นะเห็นใจคนที่ว่าเราเห็นใจคนที่ทำหนี้เรา เขาหลงเขาก็ทําแบบนั้นแต่บางทีเขาก็อาจจะตําหนิอาจจะด้วยความหวังดีก็ได้นะแต่ถ้าเราอาจจะไม่พอใจนะเราก็ไปยึดเอานะแต่จริงพอเราเห็นคนอื่นเขาทําผิดเห็นคนอื่นเพราหลงเนะี่ยใจมันจะมีเมตตามันเป็นเมตตาเพราะวาความเข้าใจว่าโอ้เพราะว่าเขาหลงเขาก็เลยลืมตัวเขาไม่มีสติเขาก็เลยทําแบบนั้นแบบนี้นะ เราเองก็เหมือนกันนั่นแหละนะถ้าเราหลงเราก็เป็นแบบเขาแหละไม่ต่างกันนะมันจะมีเมตตาเข้ามาแทนที่นะมีความให้อภัยมีความปล่อยวางเข้าไปแทนที่นะใจก็สบายขึ้นนะใจก็เย็นขึ้นใจก็เบาขึ้นนะมันเป็นอนุภาพของการฝึกหัดทั้งนั้นเลยนะไม่ได้แรงว่าจะต้องเป็นคนดีนะไม่ได้แรงว่าจะต้องเป็นคนไม่มีกิเลส สติมันจะทําให้เราเห็นแล้วมันจะทําให้เราค่อยๆเปลี่ยนนะเปลี่ยนจากคนที่นะขี้โกรธนะมันก็จะโกรธสั้นลงนะใจเย็นขึ้นนะเบาขึ้นนะเปลี่ยนจากคนที่ชอบตําหนิวิจารณ์คนนั้นคนนี้นะก็จะเห็นโทษของการตําหนิวิจารณมันเหนื่อยมันเป็นทุกข์มันก็จะตําหนิวิจารณแค่ตอนที่จําเป็นนะ จำเป็นต้องทํางานต้องเกี่ยวข้องก็ตําหนิวิจารณได้นะนะแต่ก็ทําเสร็จแล้วก็ปล่อยก็วางแต่บางทีเรื่องไร้สาระนะ่ะข่าวสารนั่นนี่เสียเวลาเฉยๆนะเราไปคิดต่อไปพูดมันก็ไม่ได้จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรก็ก็ไม่ได้เกิดประโยชน์ก็ไม่ทําถ้าเกิดประโยชน์ก็ทำํำนะแต่ก็ทําแบบปล่อยทําแบบวางแบบเนี้ยนี่คือมันเป็นเรื่องราวที่ เรีว่าปฏิบัติธรรมจริงๆนะมันก็คือชีวิตจริงของเรานั่นแหละนะธรรมะก็คือความจริงของชีวิตนั่นแหละนะเราเอาไปใช้นะ่ะมันก็เกิดผลในชีวิตของเรานั่นแหละนะสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านบอกเนะี่ะคือไม่เป็นความจริงนะแต่เป็นความจริงที่เราต้องเอาไปทาเอาไปฝึกของเราเองนะมันถึงจะเกิดผลของเราเองนะเขาอยากจะสรุปอบที่พระพุทธเจ้าท่าน ท่านตัดไวนะท่านบอกว่า ร, รมเวรำโมหเว ร, รักคติธรรมจาริงนะทย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมเป็นนิสนะพูดอีกอย่างนึงก็คือว่าผู้ที่ประพฤติธรรมผู้ที่ปฏิบัติธรรมอยู่เป็นประจำนั่นแหละนะธรรมะย่อมคุ้มครองรักษานะไม่ใช่การที่เราสวดมนต์อ้อนวอนขอร้องเพื่อให้ พระพุทธพระธรรมคุ้มครองรักษาอะไรไม่นะไม่ใช่แต่พระพุทเจ้าท่านตัดว่าเนี่ยทำย่อมรักษาผู้ที่ประพฤติธรรมเป็นนิตนะรักษาอะไรก็คือรักษาให้ไม่ทุกข์นะไม่ใช่ว่าจะรักษาให้เราไม่ป่วยไม่แก่ไม่ตายไม่เจอเรื่องที่เป็นปัญหาไม่เจอเรื่องพัดภ้าคุณเสียไม่ใช่นะแต่คือรักษาใจให้ไม่เป็นทุกข์ แม้อยู่ในท่ามกลางความสูญเสียอยู่ในท่ามกลางปัญหาอยู่ในท่ามกลางโรคภัยไค้เจ็บนะแต่ธรรมะจะรักษาใจให้ไม่ทุกข์เมื่อรักษาใจให้ไม่ทุกข์แล้วมันก็อาจจะไปช่วยขี้คลายหรือเยียวยาปัญหาหรืออาการต่างๆได้บ้างนะตามเหตุตามปัจจัยที่มันทำได้นะแต่สิ่งที่แน่นอนคือรักษาใจเราให้ไม่ทุกข์ เมื่อรักษาใจให้ไม่ทุกข์แล้วก็เอาใจที่ไม่ทุกข์แหละไปแก้ปัญหาไปเกี่ยวข้องกับการงานนะล้วจริงมันก็ส่งผลต่อคนอื่นไปด้วยนะพอเราสงบขึ้นใจเราเย็นขึ้นนะมีสติมากขึ้นเนะ่ยมันก็จะเบรกไปเหนะมือนเวลาสังเกตัหยเวลาคนทะเลาะ ก, กันเนี่ยนะรานะก็คือไม่มีใครยอมกันนะคนนี้พูดม า, เ, าเราก็พูดตอบตอไปมาให้เราเป็นคนแรกในการหยุด บางทีเรารู้สึกไหมบางทีเวลาเราเทะเลาะกันเนี่ยเราจะเพิ่มความรุนแรงเข้าไปคือประมาณว่าเมื่อไหรมึงจะหยุดนะเราจะเอาเราจะข่มเขาให้ได้นะแต่จริงเราเปลี่ยนท่าทีใหม่ให้เราเป็นคนหยุดก่อนนะเขาจะถูกเขาจะผิดเรื่องของเขาให้เราหยุดก่อนให้เราสงบก่อนเนี่ยพอเราไม่ตอบโต้นะเดี๋ยวเขาก็หยุดเองแหละนะเขาอาจะโบนไปบ้างนิดนิดหน่อย พอเราเงียบเียไปเดี๋ยวเขาก็เลิกเองนั่นแหละเนี่ยเนี่ยให้เราทําแบบเนี้ยนะมันจะส่งผลต่อคนอื่นไปเยอะเลยเหมือเราสังเกตไหยเราอยู่ด้วยกันที่เนี่ยตั้งมาหลายชีวิตเนาะถ้าทุกชีวิตตั้งใจปฏิบัติธรรมเหมือนพวกเราในตอนเนีาานนะ้ใช่ไหมปัญหามันน้อยนะใช่ไหยอาจจะมาเองไม่ต้องไปแก้ปัญหาอะไรเลยก็เนี่ยคือเพราะทุกคนตัวดูแลตัวเองนะ ทุกคนก็รู้หน้าที่ว่าแต่จะต้องทำอะไรกันบ้างนะหรือคนเก่าก็แนะนำคนใหม่บ้างนะแต่พอแต่ละคนค่อยๆฝึกหัดตัวเองเนี่ยโอ้สังคมมันก็เรียบร้อยนะไม่ต้องมีกฎอะไรมากมายเลยนะมไม่ต้องมีข้อห้ามอะไรมากมายถ้าแต่ละคนรูม้มันก็ดูแลตัวเองได้นะแล้วก็เป็นสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับหมู่คณะได้เนาะ แต่บางทีเราไปกลับไปทางโลกก็เราอาจจะคาดบังแบบนั้นไม่ได้จริงๆอ่ะนะนะเพราะเราก็เข้าใจว่าคนส่วนใหญ่ทางโลกเนี่ยหลงคนส่วนใหญ่ในทางโลกก็ไม่ปฏิบัติธรรมนะแต่ก็ไม่ใช่ว่าเราจะเอาว่าเราดีกว่าเข้าเด่นกว่าเข้านะเอาไปอวดไปอมเขานะั่นไม่ใช่นะคนปฏิบัติธรรมเนี่ยพยายามให้อ่อนน้อมถ่อมตนไว้นะอย่า เอาเอีกโก้ว่าเราดีกว่าเราแน่กว่าไปสอนเขาอะไรมากมายนะไม่ต้องหลอกทำให้ดูอยู่ให้เห็นเย็นให้สัมผัสนะพูดให้น้อยแบบนี่แหละมันจะเป็นตัวสะท้อนความจริงที่ที่ยิ่งใหญ่กว่าแล้วก็มีคุณค่ากว่าเนาะอ่ะก็ฝากไว้